พระธรรมเทศนากันนี่ท่านพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปนโนแสดงโปรดคณะหมงหลวงจิตติโนพวงที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่2 6กุมภาพันธ์2588ณวัดป่าบันตา จ, จังหวัดอุดรธานีสาสนาธรรมที่เป็นคาสอนของพระพุทธเจ้า ึุกบททุกบทเพียงโดยประทานไว้สัญญาบรรดาลพุทธบุตรทัตตนาเป็นธรรมะที่สำเร็จลูกออกมาจากพระทยที่บริจิตตของท่านจริงๆ อาตเตียปุปมากอเพ่นเดียวกับผู้มีสมบัติมากมายมีเกิดเงเินเป็นจำนวนล้านๆผู้ที่ไปหยุดกืนจากเขามา เพื่้าหากำไรก็ต้องเป็นผู้มีความขยันมีความเจรยวฉลาดอย่างน้อยก็รักษาต้นคุนมาว่มากกว่านั้นก็สำเร็จเป็นกำไรขึ้นมา ความดิบดีมของเข้ามาแล้วเกิดความนอนใจถือว่าสมบัติที่ดยบดิีมเข้ามามากน้อยนั้นเข้าใจว่าเป็นของตมเสียแล้วมาพยายามกิดท้าหากำไรถูนนั่นก็คือว่าขาดทุน ดอกเบี้ยเขก็จ ะ, จะคิดเอาทุกเดือนทุกเดือนเพียงจะหาเงินให้ค่าดอเบีเ้ยเขาก็ให้เพียงพอให้เพียงแต่จะสำเร็จมาเป็นผลกำไรแจกเป็นเองแต่ถ้าผู้มีความเฉลียวฉลาดเนีย่ยได้หยิบธีมของเขามาเท่าไหร่แล้วไม่แสดงความนอนใจจะยืนมาเป็นรอยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน ก็ต้องถือว่าต้นทุนนี้เป็นของเขาที่ตนได้หยิบยืมมาไม่ใช่เป็นของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วรีบเร่งผลควายหาทางที่จะให้เกิดผลกำไรจากต้นทุนที่หยิบยืมมานั้นโดยไม่นิ่งนอนใจเมื่อผลกำไรตกก มาจากต้นทุนนั้นเท่าไหร่นั่นล่ะเป็นที่อุ่นอกคุณใจและเป็นที่พอใจในตัวเองโดยความรู้สึกว่านี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงซึ่งอาศาัยต้นทุนที่ได้หยิดยืมเข้ามาทำให้เกิด ผลกำไรขึ้นมาจำนวนเท่านั้นเท่านั้นเมื่อได้ส่งต้นทุนให้เขาแล้วผลกำไรก็ยังเป็นสมบัติของตนอย่างภาพภูมิใจข้อนี้มีประมาณชั้นใด ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาจากสวดคาถาธรรมของพระองค์ท่านก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันเราจะเรียนได้มากได้น้อย <c oughs> นั้นเป็นต้นคุณที่ได้รับจากพระอุบาทของพระพุทธเจ้ามาที่ช่องทางให้เราสราบว่าควรจะทําอย่างไร ตามแนวของธรรมะที่แสดงบอกเราถ้าผู้ประมาทได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยก็เข้าใจว่าความที่เราได้เรียนรู้มานั้นกลายเป็นสมบัติของเราไปเสียแล้วนิ่งนอนใจในการที่จะพยายามปรับปรุงตนเองโดยข้อ ด้วยความผะพุทธทั้งด้านธรรมและด้านพระวินัยเลยถือเอาสมบัติที่ตนได้ศึกษาโราเรียนมานั้นว่าเป็นของตนเถียนี่เป็นเหตุที่จะให้ขาดทุกแต่ผู้ไม่มีความมั่นนอนใจ เมื่อได้ศึกษาเราเยียนจากจปรคขาธรรมของพระพุทธเจ้ามามากน้อยและได้ยินด้ตรังจากครูบาอาจารย์หรือสถานที่ต่างๆจะเป็นพระหรือพระวา่าที่แสดงหรือเล่าให้ฟังกว่าตามจะเรียนจากธรรม ท, ทีไหนๆมากาตามน้อมมาเป็นข้อประพฤติปฏิบัติสาหรับตัวเอง พยายามดัดแปลงหรือปรับปรุงจิตใจตลอดความประพฤติของตนทุกด้านให้เป็นไปตามหลักแห่งตัวข้าแธรรมที่ได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาเราเรียนมานั้นเ็นปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตนเช็นท่านสอนว่าให้ทานมีผลอย่างนั้น เราก็มาเพียงแต่จัดจำเอาชื่อว่าให้ทานมีผลอย่างนั้นทางนั้นและเรายังมาดำเนินด้วยตนเองคือประกอบตามที่ท่านชี้บอกไว้ได้จะให้ทานตามกำลังและศรัทธาของตนมากนอ้อยนี่ชีว่าผูเดกทำตามเพราะว่า คำสอนของพระพุทธจาศีน้เราก็รักษาตามเพศวัยและความสามารถขงรางลัาเท่าที่จะได้ตามโอกาสอันควรการภาว น, นาเราก็ได้อบรมตามทางที่ท่านสอนไว้ ดังที่เคยได้แสดงให้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าการอบรมพาวนาทำอย่างไรเมียเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยการภาวนาเป็นปรากฏผลเป็นที่สงบเยือกเย็นเห็นกระจกกับใจของเราเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปนี่ก็พอจะทราบได้แล้วว่าเป็นผลกาไรที่ปรากฏขึ้น ในตัวของเราที่อาศัยต้นผุนได้แก่การได้ยินได้ฟังจากธรรมะคำ ส, สอนกองถันมาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เราเนีย่ยมีการอบรมมากเท่าไหร่ผลกําไรก็ยิ่งปรากฏขึ้นมากดังนั้นในหลัก ทำท่านจึงสอนไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทะทำทั้งสามพเหตุจะแยกจากกันไม่ละปริยัดได้แก่การศึกษาเราเียนการได้ยินได้ฟังจากสถานที่รบุคคลต่างๆปฏิบัติได้แก่การกระทำตามที่ตนได้ศึกษาเาเรียน ปติเวทคือความรู้เห็นอันเป็นผลขึ้นมาเป็นขั้นขั้นตามแต่กำลังความถูกพิบัติปฏิบัติของเราได้มากน้อยแค่แดบมีเป็นเรื่องผลที่สืบพอดกันมาอย่างหนึ่งมีเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการปฏิบัติทางด้านจิตใจมีเป็นจุดใหญ่ จึงสามารถจะรวมคุณสมบัติมคุณงามความดีทั้งหลายให้เข้ามาดีจุดเดียวได้เช่นการให้ทานการรักษาศีลและผลที่เกิดขึ้นจากการให้ทานในรักษาศีลก็จะมารวมอยู่ที่จิดแห่งภาวนาจุดเดียวนเนื่องจากใจของเราเป็นภาชนะที่ดีเช่นเดียวกับเรา ขุดสระหรือขุดบ่อนุติดทำนกไว้น้ำจะตกลงมาในที่ไหนไหนย่อมไหลลงมาสู่ที่ต่ำเสมอเมื่อเรามีดึงมีบ่อมีทำนกไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเรื่องน้ำเรา ไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหามาจากที่ไหนจะต้องไหลลงมาสู่จุดนั้นจนทำให้บึงหรือทำนบของเรานั้นเต็มไปด้วยน้ำจะอาบจะใช้สอยพักพอกอะไรได้ตามความต้องการเรื่องของจิต ที่รับการอบรมตนเองเป็นลำดับไปก็เช่นเดียวกันกับเราขุดบ่อลิดติดทำนกไว้เช่นนั้นผลของการให้ทานรกษาสีลก็จะมารวมอยู่ที่จิตที่เป็นภาชนะอันดีมไเ้เรียลอยูีในที่ต่างๆ เพราะจิตใจของเราเป็นภาชนะอันดีซึ่งได้รับการอบรมมาตามกำลังความสามารถของตนใจย่อมมีความยือกเยยนเพราะอำนาจการภาว น, นานอกจากใจมีความยือกเย็ยนเป็นสุขแก่ตนเองแล้วยังจะมีความเฉลียวฉล า, าดเห็นเหตุเห็นผล ทั้งข้างนอกข้างในทั้งเรื่องของท่านของเราเรื่องของสัตว์ของบุคคลตลอดเรื่องของสภาวะทั่วๆไปสิ่งที่เป็นโทษก็เห็นได้ชัดสิ่งที่เป็นคุณก็เห็นได้ชัดสิ่งที่จะควรละก็ตั้งใจละอย่างเต็มอกเต็มใจละด้วยความขยันหมั่นเพียรที่จะละสิ่งที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ ซึ่งตนเห็นว่าเป็นความดีก็มีความหนักแน่นขยันหมั่นเพียรที่จะพยายามส่งเสริมความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเรียกว่าเห็นอะไรเห็นชัดเพราะจิตมีความสว่างสวายจิตมีความเฉลียวฉลาดจิตรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วจริงๆไม่ใช่รู้เพียงพาดะเน เมื่อจิตเราได้รู้ขึ้นมาเป็นลํำดับลํำดับเช่นนั้นชื่อว่านี่แลเป็นผลกําไรเป็นสมบัติของเราแท้ส่วนที่เราได้หยิบยืมมาจากพระพุทธเจ้ามากน้อยนั้นเป็นของพระองค์ท่านแต่ส่วนที่ได้สําเร็จรูปออกมาจากการหยิบยืมธรรมะพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัตินั้น นั่นเป็นผลกําไรและเป็นสมบัติของเราโดยกรงเช่นคําว่าสมาธิแต่ก่อนเราเรียนได้แต่ชื่อแต่ใจของเราไม่มั่นคงมีเรียกว่าเราได้ตั้งแต่สมบัติที่หยิบยืมมาจากพระองค์ท่านคือธรรมะที่เรียนมาแต่เมื่อเราได้ฝึกหัดจิตใจของเรา จนปรากฏเป็นสมาธิเห็นประจักษ์กับใจนี่เป็นสมมัติของเรารู้ทั้งชื่อว่าสมาธิด้วยรู้ทั้งความเป็นแห่งสมาธิภายในจิตใจด้วยทั้งรู้ชื่อทั้งเห็นตัวธรรมาปัญญาเป็นอย่างไรเราเรียนจาก ทคำสอนของท่านว่าปัญญาคือความเฉลียวฉลาดปัญญาคือความรู้รอบขอบหรือความเห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายนี่ชื่อของปัญญาท่านอธิบายว่าอย่างนี้แต่ใจของเรามีความโง่เขาเบาปัญญาไม่สามารถที่จะรู้รอบสิ่งทั้งหลายตามที่ปัญญาที่บอกไว้ฉะนั้น คำที่ว่าปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมาจึงยังไม่สําเร็จประโยชน์อะไรให้เราต่อเมื่อเราได้นําปัญญาที่เราได้ศึกษามานั้นมาปรับปรุงปฏิบัติตามหน้าที่ที่ปัญญาซึ่งเราได้ศึกษาเราเรียนมานั้นชี้บอกไว้จนปรากฏเป็นความเฉลียวฉลาดขึ้นมาภายในใจของตนจริงๆนี่ก็เป็นสมบัติของเราเป็นขั้นทัน ปัญญาแปลว่าความฉลาดเป็นขั้นๆตามขั้นของปัญญาใจของเราก็มีความฉลาดเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปตามอำนาจแห่งปัญญาของเราที่ยพยายามฝึกฝนอบรมตนเลยมากน้อยแค่ไห น, นปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับพูดถึงเรื่องสมาธิก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราเป็นสมาธิอยู่แล้ว พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่สงสัยเพราะใจเป็นปัญญาอยู่แล้วมีปัญญาอยู่รอบตัวพูดถึงเรื่องสติก็ไม่สงสัยเพราะใจของเรากับสติปัญญาอยู่ด้วยกันทั้งนี้เป็นผลกําไรที่ได้สําเร็จมาจากต้นทุนที่เราได้หยุดยืนจากพระพุทธเจ้าคือการได้ยินได้ฟังที่ได้ศึกษารเราเรียนมาจากที่ต่างๆมาปรปับปรุงตนเองจนปรากฏผลขึ้นมาเช่นนี้ นี่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงอ้าวคำว่าวิมุตตเราก็ได้เรียนมาคำว่านิพพานเราก็ได้เรียนมาแต่ใจเรายังไม่เป็นนิพพานใจเรายังปไม่เป็นวิมุตต์คำว่ากิเลสเราก็ได้เรียนมารู้เรื่องของกิเลสแต่เรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของเราเรายังแก้ไขไม่ได้คำว่านิพพานใจของเราก็ยังไม่เป็นได้แต่ชื่อของนิพพาน ได้แต่ชื่อของนิโรธคือความดับแห่งทุกข์แต่ใจของเรายังไม่สามารถจะดับทุกข์นี่ชื่อว่าเป็นสมมัติที่เราได้หยิบยืมมายังไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงพอเราได้พยายามปรับปรุงตัวของเราตามแนวทางที่ท่านสอนไว้ทั้งด้านทานทั้งด้านสีสีนทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาจนปรากดตากฏผลขึ้นมาเห็นประจักษ์กับใจ เป็นขั้นๆมากเท่าไรก็เห็นผลกําไรที่เป็นสมบัติของตนปรากฏขึ้นมากเท่านั้นยิ่งจะมีความภาคภูมิใจในการที่จะสแสวงหาหรืออบรมจิตใจของตนด้วยอธรรมะคําสั่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นต้นทุนให้ปรากฏขดผลขึ้นเป็นชั้นๆจนถึงชั้นนิมุดสุดท้าย คำว่าพระนิพพานกับใจที่บริสุทธิ์ของเรานั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีความสงสัยเหมือนอย่างที่เราได้เรียนมาจากท่านว่านิพานนพานนิพพานแต่ใจของเราเต็มไปด้วยความสงสัยเหมือนอย่างแต่ก่อนคำที่ว่านิพพานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอย่างไรใจของเราก็เป็นนิพพานเช่นนั้นคำว่าวิมุตติท่านสอนไว้ว่าอย่างไรใจของเราก็หลุดพ้นอย่างนั้น นี่เป็นสมบัติของเราเต็มที่ที่ได้อาศัยการหยิดตีนมาเป็นธรรมะของท่านมาเป็นต้นถึงเห็นผลประจักษ์ที่นี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวขาตธรรมที่ท่านตรัสไว้แปดหมื่นสีพันระธรรมขันธ์เราจะมีข้อของใจสงไขที่ตรงไหนเพราะว่าจิตของเรานี่เป็นที่บรรจุไว้ซึ่งสมบัติอันแท้จริงที่ได้อาศัยการหยุดยืนจากพระพุทธเจ้ามา เห็นเป็นธรรมประจักษ์อยู่กับใจเสียทั้งนั้นไม่มีอะไรบกข้องในจิตใจของเราแต่ว่าสมาธิกิดก็เป็นสมาธิมาเป็นลนำดนับแต่ว่าปัญญาใจก็มีความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสมาเป็นลำดับลำดับไม่สงสัยทั้งเรื่องกิเลสไม่สงสัยทั้งเครื่องแก้กิเลสคือเรื่องของสติเรื่องของปัญญาที่เต็มไปด้วยความเพียน บูตเพืเรื่องวิมุตต์หลุดพ้นก็ไม่สงสัยเพราะใจของเราได้หลุดพ้นไปตามหลักแห่งสวาคาธรรมจริงๆเมื่อเป็นเช่นั้นธรรมะแปดหมื่นสี่พันพระธรรมการเราจะไม่ได้ไปเรียนศึกษาเรเรียนจากพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทก็ตางแต่เราไม่ได้สงสัยในธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นเพราะธรรมะเหล่านั้นมาเต็มอยู่ในจิตใจของเราเสียทั้งสิ้นเช่นเดียวกับน้ํา ที่ตกมาจากสถานที่ต่างๆไหลามารวมกันอยู่ในจักรหรือในทานบของเราไม่ทราบว่าเราจะไปสงสัยว่าน้านี่ไหลามาจากที่ไหนที่ไหนมั่งเพียงแต่มองเห็นน้ำเราก็ชัดว่าเป็นที่น่าดื่ม น, น่าอาบน่าช้าสอยและเป็นน้ำของเราจริงๆด้วยเพราะบึงบ่อเหล่านั้นก็เป็นของเราทานบนั้นก็เป็นของเราน้ำก็กลายเป็นของเราขึ้นมา แม้จะตกมาจากบนฟ้าก็าเป็นของเราเพราะรวมเข้ามาสู่สถานที่ของเรากลายเป็นเรื่องของเราเสียทั้งหมดเที่ทำแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นับตั้งแต่เราได้เรียนศึกษามาเป็นลําดับลำดับจนกระทั่งถึงเราไม่สามารถจะสูตรเรียนให้ได้ตามที่ท่านสอนไว้ว่าแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์ก็ตา่างแต่ก็มารวมอยู่ที่ใจจิตใจของเราเช่นเดียวกับน้ําซึ่งไหลมาจากที่ต่างๆมารวมอยู่ใน ทำนบพวกเราเช่นนั้นจึงหาความสงสัยไม่ได้ในเรื่องของมรรคผลนิพพานในเรื่องเหตุเรื่องผลดีชั่วที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมทั้งแจกสัดแจกบุคคลไม่มีอันใดจะสงสัยเนื่องจากว่าธรรมะทั้งหมดนั้นได้กลายมาเป็นสมบัติของเราอย่างเป็นที่นั่นแลที่สาวกทั้งหลายไม่ได้สงสัยพระพุทธเจ้า ว่าหว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาก็เพราะเหตุนี้แหละแล้วที่ท่านกล่าวว่าว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตก็เห็นอย่างนี้เราเริ่มเห็นมาตั้งแต่เบื้องตน้นเราเริ่มปฏิบัติเบื้องต้นก่อชื่อว่าเราเริ่มจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาทุกเก้าทุกเก้าเป็นลำดับนับตั้งแต่การให้ทานให้ทานมากทานน้อยเป็นการ ตามสเสด็จพระพุทธเจ้ามาทุกรยะยะระยะรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองน้อยยี่ส็ดหรือศีลข้อใดเป็นการกล้าเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีศีลอันสมบูรณ์เป็นการกล้าเข้าไปเพื่อจะเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีฐานอันสมบูรณ์เราจะเริญนภาวนาจะบทใดบาทใดก็ตามก็เป็นเรื่องที่จะกล้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกบท ท, กบ ท, ทุกบาท ซึ่งเป็นผู้มีธรรมทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุติอย่างสมบูรณ์เราก็ก้าเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะระยะเริ่มตั้งแต่บริกรรมเริ่มตั้งแต่ภาวนาทีแรกจะเป็นพุทโรธธรรมโอสั ง, งโฆก็ตามก็คือองค์ของพระพุทธเจ้าเป็นลําดับไปกำหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกับลมหายใจของพระพุทธเจ้ากําหนดอาการไหนไหนก็เป็นอาการเดียวเช่นเดียวกับก็เป็นอาการเช่นเดียวกับอาการของพระพุทธเจ้า เรารู้ธรรมแง่ไหนก็เหมือนกับรู้ธรรมของพระพุทธเจ้าหรือรู้พระพุทธเจ้าเป็นแง่แง่ไปเพราะอาการของพระพุทธเจ้านั้นนะก็คือเรื่องของธรรมทั้งหลายนี่เองเมื่อเราเห็นอาการของเราเหมือนเห็นสภาว่ธรรมดูอํานาจของปัญญาก็ชื่อว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกระยะทุกทุกระยะใกลเข้าไปทุกทีทุกที จิตเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นสมาธิมาแล้วนี่เห็นล่องเห็นลอยเห็นพระพุทธเจ้าเข้าไปเป็นชั้นๆจิตเป็นปัญญาจิตมีความเฉลียวฉลาดรอบครอบถอดถอนกิเลสไปได้เป็นลําดับลำดับก็ชื่อว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลําดับลาดับไปเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นไปตั้งแต่เบื้องต้นที่ว่าสร้างพระโพธิญาณมามากน้อยล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคือเรื่องจะให้เป็นพระพุทธเจ้า เราก็พิว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นลําดับลำดับๆๆเมื่อถึงขั้นสุดท้ายได้จก่ถึงวิมุติพนิพานซึ่งเราก็ได้ยินแต่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อยู่ที่อินเดียหรือที่ไหนไหนแต่เมื่อย่นเข้ามาถึงหลักความจริงแล้วคือตรัสรู้อริยสัจสีอริยสัจสีที่ท่านกล่าวไว้ในตําลับตลาลําราแลูก็ดีที่ท่านได้ตรัสรูก้ก็ดีของท่าน กับของเรานี้เป็นอริยสตรีประเภทเดียวกันคือทุกสมุทัยมีรูปมรรคอันเดียวกันความบริสุทธิ์จึงเป็นอันเดียวเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจา้าไม่มีความแตกต่างกันที่ตรงไหนดังนั้นสาวกทั้งหลายจึงไม่ได้สงสัยพระพุทธเจา้าดูในสถานที่ใดก็เช่นเดียวกับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์ จะอยู่นอกวัดอยู่ในวัดพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วกว็าตามยังทรงพระชนอยู่ก็าตามบรรดาผู้ที่ท่านบรรลุถึงธรรมอันสมบูรณแล้วก็เชื่อว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นหมาว่าแต่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะมาได้เฝ้าความบริสุทธนั้นแหละเป็นพุทธะที่แท้จริงอาการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอาการของพระพุทธเจ้าต่างหากไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าที่แท้แท้จริงเหมือนความบริสุทธ แล้วที่ได้ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์ในขั้นนั้นแล้วจึงชื่อว่าอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเดวลาแล้วเราจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ครงไหนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็คือความก็คือผู้บริสุทธิ์นิพพานแล้วจะมีความเศร้ามองมาจาังจึงไม่ได้สงสยัยทั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่และนิพพานไปแล้วและนิพพานไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสยัย เพราะเราไม่สงสัยในความบริสุทธิ์ของเราว่าในขณะนี้ความบริสุทธิ์ของเราอยู่ที่ไหนและเวลาตายไปแล้วละ่ะความบริสุทธิ์ของเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีความสงสัยทั้งขณะที่อยู่ทั้งขณะที่ดับไปและดับไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงสัยเพราะความบริสุทธิ์อันนี้ไม่มีสองปัจจุบันนี้เป็นอย่างหนึ่งอนาคตเป็นอย่างหนึ่งหาไม่ได้ปัจจุบันเป็นชั้นในอนาคตก็ก็คือเรื่องของปัจจุบันดังนั้นสาวกับพระพุทธเจ้าจึงไม่มี ข่อคล่อใจซึ่งกันกันนอกจากพวกเราที่ยังไม่เข้าใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะยังไม่ใช่สมบัติของตนที่แท้จริง่านกลาถึงเรื่องวิมุตต์เรื่องพันิพานเราก็ได้แต่ชื่อยังไม่เห็นตัวจริงของวิมุตติพันธ์ภายในใจของตนจึงเป็นเหตุให้สงสัยของพระพุทธเจ้ารูว่ากผลมิพานตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่เราก็เรียนเรื่องมากผลิพันนี่จึงได้เรียกว่า สิ่งเราธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่หยุดยืมมายังไม่ใช่เป็นของจริงสำหรับเราแท้หากเป็นของจริงตามที่เรียนมาภายในใจของเราจริงๆแล้วพอกาวถึงเรื่องกิเลสเราก็รู้เรื่องกิเลสกาวถึงเรื่องการแก้กิเลสเราก็เป็นผู้แก้กิเลสกาวถึงเรื่องความมโนสุขเราก็เป็นผู้บปลดสิตไปพร้อมๆกันแต่นี้ยังไม่เป็นทีนัง จึงได้ชื่อว่าเป็นธรรมะที่หยิบยืนท่านมาค้าเพื่อหากำผลกําไรแต่ถ้าผู้ไม่ฉลาดรอบครอบไม่อาสัยความขยันหมั่นเพียรก็จะเกิดบาปเกิดกรรมเพราะเรียนธรรมะพระพุทธเจ้ามาก็มีไม่จำนวนไม่น้อยไม่ว่าท่านและเราเพราะความประมาทมีทั้งท่านและเราพอสาคัญแต่ว่าใครประมาทเท่านั้น ปฏิบัติไม่ถูกตามร่องตามลอยหรือฝ่าฝืนหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั่นทาัา้งหมดเป็นบาปนะเป็นบาปกัผู้ที่ฝ่าฝืนนั่นเองผู้ทุกข์ก็คือผู้นั้นถ้าผู้ที่พยายามยิ่งเต้นขวนควายมีความเคารพในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เราจะยังไม่ได้สําเร็จผลประโยชน์อันใดก็ตามอย่างไรต้องเป็นไปเพื่อความสําเร็จเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปในบรรดาธรรมตั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น จนถึงขั้นทมอันสมบูรณ์ดังนั้นเราทั้งหลายึงพย า, ยาอ้วนพยายารักษามรดกที่ท่านมอบให้ไว้เพื่อค้าหากำไรจากตนเองอยาได้นำธรรมะคำตัสอนคำาพธิดดจ้ามาล่มจมทิหายผลปีไปเฉยเ ทั้งตนก็ไม่รับประโยชน์ทั้งธรรม ะ, ระของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าก็กลายเป็นโมฆะไปเสียในบุคคลผู้นั้นธรรมะก็เป็นของมีคุณค่าผู้ศึกษาเรียนและปฏิบัติตามธรรมะนั้นก็เป็นผู้มีคุณค่าผลที่สําเร็จขึ้นมาก็กลายเป็นสมบัติที่มีคุณค่าขึ้นเป็นชั้ น, นจนถึงขั้นที่มีหาค่าราคาเทียบไม่ได้ นั่นเป็นสมมัติของเราอย่างแท้จริงธรรมะที่กล่าวทั้งหมดนี้จะไม่นอกจากเราทั้งหลายผู้ได้ยินได้ฟังและมีความรู้สึกกันดีนับบัดนี้ใจเป็นหลักสําคัญที่จะรับทราบเรื่องราวทั้งกูุ่กกายวาจาเป็น บริษัทบริวารจะต้องตามนายคือใจนั้นที่มีความมุ่งประสงค์อย่างไรจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาจะต้องเป็นไปตามส่วนใหญ่คือใจซึ่งเป็นตัวประทับดัง น, นั้นจงพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เป็นผู้นำที่ดีกายจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยได้แก่ความประพฤต วาจาก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพเพราะใจมีธรรมภายในใจแล้วสมบัติทั้งหลายที่ท่านกล่าวไว้ทุกบททุกบาทก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจที่ดัดแปลงตนด้วยดีแล้วนี่แหละสมบัติอันนี้ไม่ได้ตกลนเสียหายไปไหนเมื่อได้เข้ามาถึงใจของเราอย่างเต็มภูมิเนี่ย อยู่ที่ไหนก็จะทรงไว้ซึงสมบัติอันมีค่าหาประมาณไม่ได้นี่ตลอดเวลานี่แหละท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมะที่เป็นผลอันสมบูรณ์นี่เป็นอากาลิโกประเภทนี้ไม่มีการไม่มีเวลาสิ่งทั้งหลายมีการมีเวลาเป็นทางเดิน สภาวะทั้งหลายเดินตามการตามเวลาถึงการจะจะแตกสลายถึงการจะเจริญก็เจริญขึ้นเสื่อมไปตามการตามสมัยแต่เรื่องของธรรมที่มีความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นเป็นอาการมีโกะไม่เป็นไปตามการเวลา เพราะว่าการเวลาทั้งหลายเป็นเรื่องของสมมติธรรมชาตินั้นได้พ้นจากความสมมติทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ตลอด ก, กับตลอด ก, กันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคืนสุดท้ายที่ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์สละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของสินค้า ไม่เห็นแต่ความลำบากจากตนไม่เห็นแต่ความหมดความชินความเกลื่อนอันใดไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจความยากความลำบากทุกๆสิ่งได้สละมาแม้การงานที่เป็นของมือคุณท่าพทั้งหลายก็ได้สละมาโดยไม่มีความอะไรมุ่งนามาเพื่ออบรมธรรมะความสังกสารของกพฏเถรจักและได้ปฏิบัติเต็มตามหน้าที่ของตน ตามเวลาที่ได้สละมาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายที่เต็มไปด้วยศรัทธาอันเกียกลาและขอภาคภูมิใจเ้ยืยอเป็นอย่างยิ่งหากว่าโลกเราได้เป็นผู้มีความสนใจ มีจานวนมากเหมือนดังทันทั้งหลายนี้แล้วก็จะมีโลกนี้ก็จะเป็นโลกที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสงบเยือกเย็นคนระบุตุดท้ายภายหลังที่จะดำเนินตามถือเอาเยี่ยงอย่างก็จะได้แบบพิมอันดีกติที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ ประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะความเจริญรุ่งเรืองนั้นจะเกิดขึ้นจากผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีหลักธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตใจไม่เลยเถิดทำอะไรพูดอะไรเป็นไปด้วยอัตเนมัอิทาเป็นไปด้วยเหตุ้วยผล แล่โลกของเราก็นับวันจะเจริญรุ่งเรืองไปเป็นลำดับลาดับเพราะคนดีมีจำนวนมากคุณระบุสุดท้ายภายหลังก็ได้สืบทอดคุณงามคนดีไว้เป็นลำดับลำดับเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแม้ในภาวะที่เป็นเด็กอยู่ก็เป็นเด็กที่ดีเพราะได้รับการอบรมศึกษาจากแบบที่คือผู้ใหญ่ด้วยดี เป็นขอขอบคุณในอนโมธนาคุณ ส, สนในเบีธนาที่ท่านทั้งหลายได้อุตสาหมาทุกๆครั้งที่มาอยู่ในวัดป่าบันตากนี้และที่ได้บำเพ็ญอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ดีนละใวะสวันนี้ขอบุญญาลูกพระองค์สมเด็จพระภูมิพระบาทจ้าพร้อมทั้งกระธรรมาปสงค์จงมาตามจงมาคุ้มครองลักขาท่านทั้งหลาย ให้มีความสะดวกสบายใจและระพึติปฏิบัติตนด้วยความราบรื่นจนถึงจิตที่มุ่งฝังโดยทุนนากันเธอ